การนิมนต์พระการนิมนต์คือการเชื่อเชิญพระพิสุสัมเณีนโยมส่วนมากรวมทั้งพระด้วยเข้าใจกันว่าถ้าโยมนิมนต์แล้วพระจะต้องไปไม่ไปไม่ได้นิมนต์ไปสถานที่ไหนก็ต้องไปขัดไม่ได้เลยทำนองนั้นพระก็เช่นกัน เมื่อถูกโยมนิมนต์แล้วจะยากง่ายอย่างไรก็ต้องไปให้ได้ถ้าปฏิเสธถือว่าขัดศรัทธาญาติโยมโดยทำให้ศรัทธาของญาติโยมตกไปท่านเหล่านั้นคงคิดว่ากิจนิมนต์นี้เป็นเรื่องสำคัญในพระพุทธศาสนาหรืออย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ โยมนิมนต์พระบางรูปว่าปีนี้บ้านผมมีงานประจำปีโดยมีหมอลำคณะดังลิเกเงินร้านวงดวนตรียอดฮิตมาแสดงมีหนังกลางแปลงเรื่องเด็ดมาฉายขอนิมนต์พระอาจารย์ไปดูด้วยกันนะครับหรือนิมนต์ไปดูเขา จุดบ้างไฟแสนบ้างไฟล้านหรือว่ามีมวยดังต่อยที่บ้านผมมีโทรทัศน์สีจอใหญ่นิมนต์ท่านไปดูด้วยกันนะครับท่านก็ไปตามคำนิมนต์โดยไม่ขัดศรัทธานิมนต์พระให้ทำน้ำมนต์พ่นน้ำหมาบอกใบให้หวยตรวจ ด, ดูดวงชะตา ราศีสืบชะตาบูชาโชคเสียเคาะสะเดาะนามตัดเวรตัดกรรมทำปหลักขิเครื่องรางของขลังลงณนะหน้าทองลงเลขยันกันผีเจอมป้ายเจิมบานประตูหน้าต่างเป็นต้นท่านทำทุกอย่างไม่ขัดศรัทธานิมนต์ฉันลาบดิบ ลาบเลือดลู่น้ำตกซกเล็กแหนมดิบกุ้งเต้นหอยแข็งลวกส้มตำปาราดิบโดยไม่ทำให้สุกเสียก่อนเป็นต้นท่านก็ฉันหมดทุกอย่างไม่ขัดศรัทธานิมนต์ดื่มเครื่องดื่มประเภทนมสดนมส้มไมโลโอวันตินกาแฟ วายตมิวนมถั่วเหลืองน้ำมะพร้าวเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นช่วงบ่ายเย็นหรือกลางคืนท่านก็ดื่มหมดทุกอย่างไม่ขัดศรัทธานิมนต์ให้ไปที่ไหนให้ทําอะไรให้ฉันอะไรให้ดื่มเครื่องดื่มอะไรท่านไม่ขัดศรัทธาเลยเรียกว่า ฉลองศรัทธาโยมอย่างเต็มที่โดยที่ท่านไม่คำนึงถึงความถูกต้องตามพระวินัยบ้างเลยพระเช่นนี้โยมจะศรัทธากลาวไหว้เป็นพิเศษเพราะพูดง่ายเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายไม่มีขัดศรัทธาเลยโยมพูดอะไรก็ตามเออ อ, อไปด้วยทุกๆเรื่อง แต่สำหรับพระที่ถือพระธรรมวินัยท่านคงทำตามคำนิมนต์ของโยมได้ไม่ทั้งหมดคงได้เฉพาะที่ถูกต้องตามพระวินัยเท่านั้นและความจริงพระพิสุก็ไม่จาเป็นที่จะต้องทำตามคำนิมนต์ของโยมทั้งหมดดังนั้นญาติโยมทั้งหลายควรจะมีความรู้ เรื่องวิธีการนิมนต์หรือคำนิมนต์โดยคอยตามพระธรรมวินัยบ้างก็จะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามิใช่น้อยเรื่องนิมนต์นี้มีโยมและพระจำนวนมากยังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้คิดว่าพูดอะไรก็ได้ถือว่าใช้ได้และนิมนต์แล้ว แม้พูดลอยๆก็ถือว่านิมนต์แล้วดังมีเรื่องเล่าว่าทายกคนหนึ่งเมื่อพัญญาตายลงก็ใช้ลูกเขยให้ไปนิมนต์พระลูกเขยเดินเข้าวัดเจอพระอาจารย์ไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรดีเพราะเขาไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับการนิมนต์พระก็เลยพูดลอยๆว่า ผมละเบื่อแม่ยายตายจริงๆพระอาจารย์พูดตอบว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็หนีไม่พ้นหรอกแล้วเขาก็เดินกลับบ้านไปทันทีขั้นเขาถูกพ่อตาถามว่านิมนต์พระหรือยังก็ตอบว่านิมนต์แล้วยมคอยพระแล้วคอยพระอีก จนเลยเวลาพระก็ยังไม่เห็นมาพ่อตาทนไม่ไหวจึงเข้าไปวัดพูดว่าได้เวลาแล้วครับท่านอาจารย์เวลาอะไรโยมก็เวลาสวดพระอภิธรรมคนตายยังไงครับอัตมาไม่เห็นรู้เรื่องเลยโยมอ้าวก็ผมให้ลูกเขยมานิมนต์เขาไม่ได้นิมนต์ยครับ ไม่ได้นิมนต์หลอกโยมมันพูดแต่เพียงว่าผมละเบื่อแม่ยายตายจริงๆแค่นี้แล้วก็กลับไปอ้าวแล้วกันถ้างั้นผมขอนิมนต์ท่านอาจารย์ไปสวดพระอภิธรรมตอนนี้เลยครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีถ้าใช้คนที่ไม่เคยรู้เรื่องการนิมนต์พระ ก็จะนิมนต์ไม่เป็นใช้คำนิมนต์ไม่ถูกต้องก็จะเสียการงานไปโยมฉลาดในคำนิมนต์พระฉลาดในพระวิไนยโยมผู้นิมนต์พระควรฉลาดในการใช้คำนิมนต์ที่สมควรแก่พระวิไนส่วนพระผู้รับนิมนต์ ก็ควรเป็นผู้ฉลาดในวินัยด้วยเมื่อเวลาโยมมานิมนโดยใช้คำไม่ถูกก็จะได้แนะนำให้ถูกต้องและจะได้เปื้องหมู่คณะออกจากอาบัตเพราะใช้คำนิมนต์ไม่ถูกต้องนั้นดังนั้นผู้นิมนต์ต้องรู้จักคำนิมนต์ที่สมควรและไม่สมควร ถ้าใช้คำนิมนต์ที่ไม่สมควรแล้วจะทำให้พระต้องอาบัติเวลานิมนต์พระไปฉันที่บ้านตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปอย่านิมนต์โดยระบุชื่อของโภชนะห้าอย่างคือผู้นิมนต์ไม่ควรระบุชื่ออาหารมูลเหตุเกี่ยวกับการขออาหาร พิสุจฉันอาหารที่ยมระบุชื่ออาหารตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปไม่ได้นั้นมีเรื่องปรากฏอยู่ในพระวินัยปิฎกอย่างนี้ว่าครั้งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่วัดเวรุวันใกล้เมืองราชครื้พระเทวทัตเสื่อมจากลาบส ก, การะเพราะกรรมชั่วของตนปรากฏต่อสายตา ชาาวบ้นจึงพร้อมด้วยบริษัทพากันเที่ยวเอ่ยปากขออาหารชาวบ้านมาฉันชาวบ้านต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพธนาต่างๆว่าทําไมพระสมณะเชื้อสายศักยบุตรจึงได้เที่ยวเอ่ยปากขออาหารชาวบ้านมาฉันกันหนอโภชนะที่ดีใครจะไม่พอใจ อาหารที่อร่อยใครจะไม่ชอบใจเร่าหลังจากพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องแล้วทรงติเตียนพระเทวทัตพร้อมทั้งบริสัทโดยประการต่างต่า ง, างแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทเกี่ยวกับเรื่องการขออาหารขึ้นภายหลังมาก็มีเรื่องเกิดขึ้นตามลำดับพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ผ่อนปลนตามลำดับว่าเว้นไว้แต่สมัยคือการที่ทรงอนุ ญ, ญาตพิเศษพิสุเป็นอาบัติปาจิตตีในเพราะฉันอาหารกันเป็นหมู่พิสุสี่รูปขึ้นไปฉันอาหารที่ยมระบุชื่อถวายนี้เป็นสมัยในเรื่องนั้นคือคราวอาพาธคราวที่เป็นฤ ด, ดู ถวายจีวรคราวทมจีวรคราวเดินทางไกลคราวที่โดยสารเรือไปคราวประชุมใหญ่คราวพัดของสมณะนี้เป็นสมัยการที่ทรงอนุญาตพิเศษในเรื่องนั้นการฉันเป็นหมู่คือคราวที่มีพิสุสี่รูปขึ้นไปที่เขานิมนต์ โดยการระบุชื่อโภชนะห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วฉันลักษณะนี้เรียกว่าคณะโภชนะคือการฉันเป็นหมู่การฉันเป็นหมู่ที่เรียกว่าคณะโภชนะนี้พระอัฏกาถาจารย์อธิบายว่ามีลักษณะอยู่สองอย่างคือหนึ่งโดยการนิมนต์ คือโยมนิมนต์พิสุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปให้ฉันอาหารโดยระบุชื่อโภชนาหารทั้งหหรือโดยคำที่ใช้แทนกันได้หรือว่าภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาบาลีก็ได้ 2. โดยการเอ่ยปากขอเรียกว่าวินยัตคือพิสุตั้งแต่สี่รูป ยืนหรือนั่งอยู่ด้วยกันเห็นโยมแล้วออกปากขอให้เขาถวายพัตตาหารในเรื่องการนิมนต์นี้จะอธิบายแต่เฉพาะข้อที่หนึ่งก่อนส่วนการออกปากขอที่เรียกว่าวินยัตจะอธิบายในข้อต่อไปที่จะกล่าวข้างหน้าโภชนะหอย่าง 1. เข้าสุข ได้แก่ข้าวสาลีข้าวเปลือกข้าวเหนียวข้าวละมานข้าวฟ่างลูกเดือยและยา ก, กับแก่ทายกเอาธัญญชาติเจ็ชนิดเหล่านี้มาหุงเป็นข้าวสวยหรือข้าวต้มจัดเป็นข้าวสุก 2. ขนมสดได้แก่ขนมสด ทำด้วยธั ญ, ญชาติเจ็ดชนิดนั้นหรือทำด้วยสิ่งอื่นมีถั่วเขียวเป็นต้นปัจจุบันขนมสดมีมากเช่นขนมหม้อกแกงขนมชั้นขนมเปียกปูนสังขยาหน้าไข่เป็นต้นจัดเป็นขนมสดสามขนมแห้งได้แก่ ขนมแห้งทำด้วยทั ญ, ญชาติเจ็ดชนิดนั้นนำเอาไปขั้วเป็นข้าวตอกข้าวคั้วทำเป็นผงเป็นแป้งอีกมากมายปัจจุบันขนมแห้งมีมากเช่นขนมชนิดต่างๆมีทั้งเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นแผ่นเป็นผงข้าวเกียบกุ้งข้าวแตนเป็นต้น จัดเป็นขนมแห้งสปลาได้แก่ปลาทั้งหมดรวมกุ้งหอยปูเป็นต้นห้าเนื้อได้แก่เนื้อที่ควรทุกอย่างเว้นเนื้อที่ทรงห้ามสิบอย่างคำนิมนต์พระรับภิกษาที่ไม่สมควร โยมนิมนต์พระตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปโดยระบุชื่อโภชนะห้าอย่างหรือคำเรียกแทนโภชนะห้าเช่นผมขอนิมนต์ท่านรับพัดข้าวขอนิมนต์ท่านรับสังคพัดขอสงจงรับพัดขอนิมนต์รับหรือฉันเข้าสุก ข, ขนมหมอ้อแกงขนมปังกรอบแกงปลา แกงหมูหรือขอนิมนต์ฉันขนมจีนก๋วยเตี๋ยวลาดหน้าต้มยำโป๊ะแตกข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำปลาล้าจัปตีโรตีสุกี้ยากี้ไอสิสครีมเค้กคุกกี้ก้วยทอดลอดช่องเป็นต้นคำนิมนต์เหล่านี้ เป็นอากัปปิยะโวหารคำนิมนต์ที่ไม่สมควรพระสี่รูปขึ้นไปรับนิมนต์แล้วไปบ้านโยมเมื่อรับประเคนโพชนะอย่างใดอย่างหนึ่งที่โยมเอ่ยชื่อล่วงหน้าตอนนิมนต์จะทำให้พระต้องอาบัตทุกกฎเมื่อฉันต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคำากืนดังที่ท่านแสดงไว้ว่า ถ้าทายกบางคนเข้าไปหาพิสุสี่รูปแล้วนิมนต์ออกชื่อโพชนะห้าด้วยศัพท์ที่มีความหมายว่าโพชนะหรือด้วยภาษาอื่นโดยในเป็นต้นว่าผมขอนิมนด้วยเข้าสขุขอท่านจงรับเข้าสุ ข, ของกระผมเถิดทายกนิมนต์พิสุเหล่านั้นรวมกันก็ตาม แยกกันก็ตามไปพร้อมกันหรือแยกกันไปรับรวมกันจากนั้นฉันรวมกันหรือแยกกันฉันเป็นคณะโภชนะเมื่อรับประเคนคณะโภชนะต้องอาบัตทุกกฎถ้าฉันต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆ ค, คํากืนคำนิมนต์พระลับภิกษาที่สมควร ถ้าโยมนิมนต์พระตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปไม่ระบุชื่อโภชนะห้าอย่างโดยเลี่ยงไปใช้คำพูดที่เป็นกับปิยะโวหารคำนิมนต์ที่สมควรเช่นพรุ่งนี้ขอนิมนต์ฉันเช้าหรือฉันเพนที่บ้านผมสี่รูปครับหรือพรุ่งนี้ขอนิมนต์พระคุณเจ้ารับอาหารหรือฉันที่บ้านผมเก้ารูปครับ คำนิมนต์เหล่านี้เป็นคำพูดที่สมควรพระสี่รูปขึ้นไปรับนิมนต์แล้วไปฉันเช้าหรือฉันเพนที่บ้านโยมจะไม่ต้องอาบัตทุกกฎเพราะรับประเคนและไม่ต้องอาบัตปาจิตตีเพราะฉันอาหารนั้นพระพัตตุเทศต้องเป็นผู้ฉลาด เวลาโยมนิมนต์พระสี่รูปขึ้นไปด้วยคำนิมนต์ที่ไม่สมควรเช่นนิมนต์ท่านรับพัทที่บ้านผมหรือนิมนต์ท่านไปฉันก๋วยเตี๋ยวที่บ้านผมพรุ่งนี้พระพัตตุเทศพระผู้รับนิมนต์ต้องเป็นผู้ฉลาดอย่าเพิ่งรับนิมนต์ควรพูดว่าพรุ่งนี้ไม่รับนิมนต์โยมพูดว่าวันมะรืนก็ได้ครับ พระพูดว่าวันมะรืนก็ไม่รับถ้าโยมพูดว่าที่บ้านโน้นเห็นท่านรับนิมนต์บ้านผมทําไมไม่รับครับก็บอกว่าบ้านโน้นเขาใช้คํานิมนต์เป็นโยมถามว่าบ้านโน้นเขาใช้คํานิมนต์อย่างไรพระก็บอกว่าขอนิมนต์พระคุณเจ้าฉันเช้าที่บ้านผมสี่รูปครับ ถ้าโยมนิมนต์ตามคำพูดที่ว่ามานี้การนิมนต์นั้นสมควรถ้าโยมยังพูดย้ำอีกว่านิมนต์ท่านรับพัดพระพูดว่าคราวนี้โยมจะได้พระไม่มากจะได้แค่สามรูปเท่านั้นถ้าโยมถามว่าที่บ้านโน้นพวกเขานิมนต์ตั้ง9้ารูปก็ยังเห็นได้เลยครับผมนิมนต์แค่สี่รูป ทำไมไม่ได้ครับเพราะเหตุไรพระพูดว่าโยมนิมนต์ไม่เป็นถ้าเขาถามว่าพวกเขาใช้คานิมนต์อย่างไรพระบอกว่าขอนิมนต์ท่านรับอาหารของพวกกระผมถ้าเขากล่าวคำนิมนต์เหมือนที่พูดมานี้การนิมนต์นั้นถือว่าสมควร ตัวอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าถ้าบางคนถูกผู้ประสงค์จะทำสังคพัดวานไปเพื่อต้องการให้นิมนพระมายังวิหารไม่กล่าวว่าท่านขอรับพรุ่งนี้นิมนรับภิกษาในเรือนของพวกกระผมแต่กล่าวว่านิมนท่านรับพัดก็ดีว่านิมนรับ สังคพัทธก็ดีว่าขอสงฆ์จงรับพัทธก็ดีพระพัตุเทศควรเป็นผู้ฉราดพึงเปื้องพวกพิสุผู้รับนิมนต์จากคณะโพชนะรับนิมนต์สี่รูปขึ้นไปพึงเปื้องพิสุพวกถือปินทิปาติกะทุดง พระผู้ถือบินทบาทเป็นวัดคือในเวลาที่โยมนิมนต์มีพิสุผู้ถือการเที่ยวบินทบาทเป็นวัดท่านไม่รับนิมนต์แต่เวลาไปพวกพิสุผู้รับนิมนต์ชวนว่ามาเถิดท่านจะได้พิกษาหารแล้วพาเอาพิสุผู้ถือการเที่ยวบินทบาทเป็นวัดซึ่งไม่ได้รับนิมนต์ไปด้วย พิสุรับนิมนต์ที่โยมระบุชื่ออาหารก็ไม่ต้องอาบัดเพราะปิณทีปาติกะพิสุได้ทําให้คณะโภชนะแยกกันทั้งพิสุผู้ถือปินที่ปาติกังคะทุดงก็ไม่แตกด้วยเพราะไม่ได้รับสังขพัฒเป็นต้นที่โยมถวายแต่รับอาหารของพิสุทั้งสามลูป ที่เหลืออันเป็นสมณพัทคือพัทของสมณะที่ทรงอนุญาตพิเศษแก่ทุดงข้อนี้จากความแตกแห่งทุดงทุดงขาดคืออย่างไรคือพระพัทตุเทศพึงกล่าวอย่างนี้ก่อนว่าพรุ่งนี้ไม่อาจรับอุบาสกเมื่ออุบาสกกล่าวว่า เมื่อเรือนนี้ขอรับพึงกล่าวว่าเมื่อเรือนนี้ก็ไม่อาจรับได้เมื่ออุบาสกเลื่อนไปอย่างนี้แม้จนถึงกึ่งเดือนพระพัตตุเทศพึงพูดอีกว่าท่านพูดอะไรถ้าแม้อุบาสกพูดย้ําอีกว่านิมนทท่านรับสังคพัฒลำดับนั้นพระพัตตุเทศพึงทำให้เขาเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ อย่างนี้ว่าอุบาสกจงทำดอกไม้นี้จงทำย่านี้ให้เป็นกัปปิยะก่อนแล้วย้อนถามอีกว่าท่านพูดอะไรถ้าแม้นเขายังพูดซ้ำแม้อย่างนั้นพึงกล่าวว่าผู้มีอายุท่านจักไม่ได้พระมหาเถระผู้ถือบินทบาทเป็นวัด ท่านจักได้พวกสา ม, มเณรและเมื่อข่าวถามว่าท่านขอรับพวกคนในบ้านโน้นและบ้านโน้นนิมนต์พระคุณเจ้าผู้เจริญให้ฉันมิใช่หรือผมจะไม่ได้เพราะเหตุไรเพึ่งกล่าวว่าพวกเขารู้จักนิมนต์ส่วนท่านไม่รู้จักนิมนต์ขาถามว่าท่านขอรับ พวกเขานิมนอย่างไรพึงกล่าวว่าพวกเขากล่าวอย่างนี้ว่านิมนรับภิกษาอาหารของพวกกระผมขอรับถ้าแมนเขากล่าวเหมือนอย่างที่พูดนั้นแหละการนิมนนั้นสมควรถ้าเขากล่าวซ้ำอีกว่านิมนรับพัดพึงกล่าวว่าผู้มีอายุคราวนี้ท่านจากไม่ได้พิสุมาก จักได้เพียงสามรูปเท่านั้นถ้าเขาถามว่าท่านขอรับพวกคนในบ้านโน้นและบ้านโน้นนิมนต์พิสุสง์ทั้งหมดให้ฉันมิใช่หรือผมจะไม่ได้เพราะเหตุไรเล่าพึงกล่าวว่าท่านไม่รู้จักนิมนต์ถ้าเขาถามว่าท่านขอรับพวกเขานิมนต์อย่างไร ถึงกล่าวว่าพวกเขากล่าวอย่างนี้ว่านิมนต์ท่านรับภิกษาของพวกกระผมถ้าแม้นเขากล่าวเหมือนอย่างที่พูดนั้นนั่นแหละการนิมนต์นั้นสมควรวิธีกล่าวให้สมควรแบบง่ายๆสำหรับพระพัตตุเทศเมื่อโยมนิมนต์ออกชื่ออาหารพระพัตตุเทศก็กล่าวว่า อัตมาไม่ต้องการพัดของโยมแต่อัตมาจะรับภิกษาก็ถือว่าสมควรเหมือนกันโดยไม่ต้องอาบัตเกี่ยวกับสิกขาบทว่าด้วยการฉันคณะโพชนะที่โยมนิมนต์ระบุชื่ออาหารเนื้อความที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นวิธีกล่าวกับปิยะโวหารที่สมควรแก่พระพิสุ ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้โดยประสงค์ป้องกันอาสวะกิเลสซึ่งเป็นความอยากในรสอาหารอันจะเกิดแก่พระพิสุเมื่อพระพิสุได้ทราบว่าโยมจะถวายอาหารอะไรก่อนจะไปฉันที่บ้านโยมควรพิจารณาแล้วจึงไปคำถวายสังฆทาน โดยระบุชื่ออาหารในปัจจุบันนี้มีคำถวายทานที่พระและโยมทั้งหลายใช้กันโดยทั่วไปซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือสวดมนต์หรือหนังสือเกี่ยวกับการแนะนำาศาสนพิธีในหนังสือเกือบทุกเล่มจะปรากฏมีคำถวายสังฆทานซึ่งเป็นการกล่าว คำถวายโดยระบุชื่อโภชนาหารดังนี้ว่าอิมานิมยายังพันเตพัตตานิสัปปริวารานิพิกุสังคสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิพัตตานิ สัพ ป, ปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะแปลว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพัตตาหารเข้าสุขหรือข้าวกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระพิสุสง์ ขอพระพิสุสงฆ์จงรับพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลละนานเทินในคำถวายสังฆทานนี้จะเห็นได้ว่ามีการใช้คำพูดรละบุถึงชื่อ โชนาหารอยู่ด้วยหากมีการซักถามว่าคำถวายสังคทานที่ระบุชื่อโชนาหารเช่นนี้จะมีความขัดแย้งต่อพระวินัยที่จะเป็นเหตุให้ต้องอาบัตในคณะโชนะสิกขาบทหรือไม่ตอบว่าในคำถวายสังคทานนี้มีคำที่ระบุ ถึงชื่อโภชนาหารก็จริงอยู่แต่ก็ไม่ได้ขัดแย้งต่อพระวินัยที่จะเป็นเหตุให้ต้องอาบัตในคณะโภชนะสิกขาบทแต่ประการใดเพราะมีคำที่ท่านแสดงไว้ว่าภิกษาที่เขานำมาจำเพาะย่อมสมควรอะยังอภพิ หะตะภิกขานามะวุตตติคือไม่เป็นอาบัติแก่พระพิสุผู้รับและฉันโพชนะนั้นเพราะว่าโยมนำอาหารมาจำเพาะต่อหน้าพระแล้วทั้งยังไม่จัดเป็นการนิมนต์ให้พระไปรับโพชนาอาหารแต่ประการใดส่วนการนิมนต์ที่ไม่สมควรนั้นก็คือ ทายกมานิมนต์ให้พระไปรับไปฉันอาหารที่บ้านหรือในสถานที่ต่างๆโดยมีคำที่ระบุถึงโภชนาหารคือโภชนะหานะ 5, ้ามีข้าวสุกขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อดังนั้นคำถวายสังฆทานที่ทายกถือเอาพัดไปในที่นั้นๆ แล้วมีการกล่าวคำถวายโดยระบุถึงชื่อโภชนาหารดังกล่าวจึงไม่จัดเป็นการนิมนต์ให้ไปรับโภชนาหารแต่ประการใดฉะนั้นคำถวายสังฆทานโดยระบุชื่อโภชนาหารดังกล่าวข้างต้นจึงใช้ได้และคำถวายสังฆทานก็ไม่จำเป็น ที่จะต้องเป็นเช่นนี้เสมอไปเพราะมีวัดบางแห่งโยมบางที่มีการใช้คำถวายสังฆทานที่ไม่มีการระบุชื่อโภชนาหารทั้งมีคำอธิษฐานคำอุทิศบุญซึ่งน่าสนใจดีและก็เป็นอีกตัวอย่างที่ไม่ขัดแย้งต่อพระวินัยเลย ตัวอย่างคำถวายสังฆทานที่ไม่ระบุชื่อโภชนาหารนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะกล่าวสามครั้งมะยังพันเตกัมมันจะกัมมะพรันจะสัทธะหิตวา สังสาระวะัฏตะุขโตโมจะนัายะนิพานสสะสัชิกณลนัายะสังคสสะมมุขเขปัญจสีรังสมาทิยตวาอิมานิปินทปาตะขาทนียะโพชนียานิสังคสสะเทมะ อิทังโนปุญญังนิพพานัสะปัจจโยโหตุอิมังปุญญัติปติงมาตาปิตุอาจาริยะอายกะอยิกายาติมิตานังเศสสะสัตตานันจะเทมะสัพเพปิเตอิมังปุญญาติปติง รัทธานะสุขิตาโหนตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายเชื่อกรรมและผลของกรรมสมาทานศีลห้าต่อหน้าพระสงฆ์แล้วถ้าไม่สมาทานศีลห้าก็ไม่ต้องกล่าวขอถวายบิณฑบาต ท, ทั้งขาวทั้งหวานเหล่านี้แด่พระสงฆ์เพื่อความพ้นจากทุกข์ ในวัตตะสงสารเพื่อกระทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพานขอบุญนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญนี้ให้แก่มารดาบิดาครูบาอาจารย์ปูย่ย่าตายายและญาติมิตรสหายที่มีชีวิตอยู่ก็ดี ที่ร่วงลับไปแล้วก็ดีพร้อมด้วยสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านเ่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุขโดยทั่วกันเทินสรุปเรื่องนิมนต์นี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ความสนใจถ้าโยมเข้าใจเรื่องนิมนต์ดีแล้วเวลานิมนต์พระ จะได้นิมนต์อย่างถูกต้องพระรับนิมนต์ไปฉันก็จะไม่ต้องอาบัติแต่ถ้าโยมยังไม่เข้าใจเรื่องการนิมนต์พระพัตตุเทศต้องเป็นผู้ฉราดในการใช้คำพูดแนะนำโยมให้ใช้คำพูดที่ถูกต้องเพื่อจะปดเปื้องหมู่คณะให้พ้นจากอาบัติ เรื่องนี้พระต้องเป็นธุระช่วยแนะนำญาติโยมให้เข้าใจเวลาโยมมานิมนต์พระจะได้ไม่เกิดปัญหาดังที่กล่าวมาถ้าพระไม่เอาธุระในเรื่องนี้ให้ญาติโยมรู้เองนั้นคงยากเพราะญาติโยมมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบมากมายจะมีเวลาที่ไหน มาศึกษาหาความรู้ในเรื่องนี้